วันนี้มาพูดของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายพวกเราถือศาสนากันมามีความเชื่อเต็มร้อยหรือเปล่าล่ะเต็มร้อยเปอรเซ็นหรือเปล่าอ่ามีความเชื่อในคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีความเชื่อเต็มร้อยหรือเปล่าหรือมาเชื่อตามคำ ผู้อื่นเขาเฉยๆน้อมใจเชื่อถ้าเชื่อแบบนั้นเรียกว่าเชื่ออย่างงมงายอยู่นะถ้าเชื่อมั่นด้วยศรัทธาของตัวเองจริงๆมันเป็นอาชระศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไม่ไหวใดๆทางนั้นมีอานิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่ หน้าว่าภูมใจถ้าอธิมโมกส์ศร้าน้อมใจเชื่อเฉยมันก็ได้ผลน้อยไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยล่ะจะเล่าเรื่องอนิทานให้ฟังจักเรื่องหนึ่งนิทานล่ะ แต่ว่ามันเป็นความจริงเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราสมัยขั้งสงครามโลกขั้งที่สองผ่านไปไม่นานเท่าไรนักระหว่างนั้นแหละในสมัยข้างนั้นมีความอาเอ็นของคนบางคนเห็นว่าชาวพุธทำบุญสุนทานเนี่ยเขาหาว่างงไง อากันงมงายหลับหูหลับตาทํากันอยู่เฉยๆไม่เห็นได้ผลอะไรเพรว่าอย่างนั้นสู้ไหว้เจ้าเผากระดาษไม่ได้เาขาเป็นคนจีนคนนั่นเขาเป็นคนจีนเข า, ามีคําพูดที่ดูถูกชาวพุทธออกมาว่าทําอย่างงมงายนับถือกันอย่างงมงายสู้ไหว้เจ้า เขากระดาษไม่ได้ทําบุญนี่เห็นที่ศูนย์เปล่าเขาว่าอย่างนั้นนะไปวัดแต่ละวันอาหารเต็มหม้อเต็มเป็นโตไปแล้วเวลากลับมาก็เหลือมาแต่กปนโตเปล่าๆไม่มีอะไรเหลือเลยนะเน่เขาเห็นแค่นั้นเขาว่าไหว้เจ้าหนะ้าเขาได้ เห็นยำประธาน า, าเวลาไปไหว้แล้วหมูเห็ดเป็ดไก่เต็มโต๊ะไปหมดอย่างนี้พอเสร็จศุละแล้วเทียนหมดแล้วทูบหมดแล้วเขาก็ยกลงมาแก้มเล่าอย่างนี้เต็มพุงไปเลยอย่างนั้นอิ่มน้ําสําราญไปเลยเขาว่าอย่างนี้ล่ะแล้วดูถูกชาวพุทธได้ขนาดนี้เรื่องมันมีอยู่ว่า ในสมัยครั้งนั้นมีคนจีนคนหนึ่งเขาชื่อว่าโกเดียนเขามามีครอบครัวและตั้งหลักตั้งฐานอยู่ที่ อ, อะไรอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ น, นี่เองเอามาตั้งหลักตั้งฐานทำมาหากินอยู่ที่นั่นเป็นคนมั่งมีสีสกุลร่ำรวยพอสงควร แต่ว่าความเห็นของเขายังไม่เขา้ารูปยังเห็นนอกทำนอกวินยัยคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่วันหนึ่งลุงเอี่ยมซึ่งเป็นอุบาสกผู้ปฏิบัติวัดคลองละนองอยู่นั่นสร้างซุ้มประตูวัดกาลังสร้างซุ้มประตูวัดให้มันสวยงามทันสมัย จึงไปเชิญชวนโคเดียนโคเดียนเอ้ยช่วยกันหน่อยเว้ยเดี๋ยวนี้วัดของเรากำลังพัฒนาเจ้ากระคุณอ ะ, อะไรล่ะมาสร้างให้อุบาลีคุณอุปามาจารท่านมาสร้างวัดไว้ให้เป็นหลักเป็นฐานพอสมควรสิ่งผิดใดที่ยังไม่ดีก็ช่วยกันหน่อยะว่า ลุงอโคเดียนก็พูดออกมาคัดคันในเชิงคันคะันน่ะเฮ้ยลุงเอี่ยมนี่ก็มงมงายไปได้สร้างแต่บุญสร้างแต่บุญอ่าทีไรทีไรก็สร้างแต่บุญอย่างนั้นนะทำบุญนวมันสูญเปล่านะลุงเอี่ยมว่าเจ้าได้จินลุงเอี่ยมก็ไม่มีปัญญาจะตอบตอะไรหรอกก็ตอบว่าเอ้ยโคเดียนเอ้ยอย่าพูดอย่างงั้นนะ เดี๋ยวลูกๆและห ล, ลานมันฟัง เ, เหตุผลไม่รู้จักเรื่องราวมันจะยึดถือเอาเป็นตัวอย่างอะไรเอาจิงๆนะลุงเอี่ยมนะจริงๆนะไหนะนะว้เจ้าทีไรท้องเต็มทุกทีทําบุญทีไรแล้วท้องแห้งทุกทีไปวัดเต็มบินโตบินโตเต็มใบหมอ้อเต็มไปกลับมาเหลือแต่บินโตพอเปลาย่ำอยู่อย่างนั้นลนะ ก็หาว่าลุงเ อ, อ่ยมงมงายแบบนี้เรื่องทำบุญเนี่ยแม่ํำเขาทำนะแม่ํำหมายถึงเมียของตัวเองเมียของโกเดียนเองแม่เขาแม่ทำเขาทำให้เขาทำไม่ได้ห้ามเขาหรอกให้ไปบอกเขาน ะ, ะแจก็ว่าดีอยู่แต่ว่าด้วยวิบากกรรมอะไรก็ไม่รู้ หรือว่าคำบรรดานก็ไม่รู้วันหนึ่งแกไปดูงานไปดูงานก่อสร้างแกกำลังให้ช่างเขาก่อสร้างเอ่อก่อสร้างห้องแถวหรือว่าเท้เห้าลําลองนี่แหละเพื่อให้คนเช่าได้เจ็บเงินเก็บทองออกมาบ้างไปดูงานแดดเปี้ยงเปี้ยงแกไม่ได้พักเลยแก ดูอยากให้มันแข็งแรงอย่ากมันถาวอนดีอ่ไม่ยอมพักตากแดดเปียงเียกๆรู้สึกปวดหัวขึ้นกระดา น, นปวดหัวอย่างแรงซะด้วยอยู่ไม่ได้ต้องกลับบ้านพอขับมาบ้านก็บอกแม่คําผู้เป็นเมียของเขานะ่ะว่าแม่คําเอ้โอโอว่ารู้สึกว่าปวดหัวปวดหั ว, ป ว, หวปวดแรงๆซะรวยนะไปเมื่อ ไปปวดมากๆเลยะออแม่คํามันตอบว่าถ้าปวดหัว ก, สสก็กินยาสิอะเงี่ยกินซะกินยายาอยู่ในเจในตู้นั่นเองโคเดียนก็อยากหายแล้วก็ไปตรวจ ด, ดูยาในตู้ตู้ยาเนะ่ะเจที่มันมีอนะไปตรวจ ด, ดูก็เห็นยาแก้ปวดแต่แกก็อ่านหนังสือไม่ได้หรอกหนังสือไดย เห็นเดีย ว, ว่ายาแก้ปวดเอาอนี่ละ่ะมากินยาชนิดนั้นสมัยนั้นเป็นยาแอสไพรินละ่ะแอสไพรินแก้ปวดสมัยสงคารามโลกหายาได้ยากแก่ก็คำใส่ปากเลยละ่ะเท่าไรเ ม, รม็ดแกไม่ได้อ่านนะอยากหายเร็วๆคำใส่คำใสยกินน้ำหึดลงไปพอกินน้ำลงไปสักประเดี๋ยวเดียว มันก็ออกฤทธิ์สิยาจำนวนมากเกิดตะขั้นตะคอขึ้นมาทันทีละ่ะหนาหนาวร้อนร้อนตะขั้นตะคอขึ้นมาปวดท้องกระทันหันน้ำนองนี้ก็ บ, บอกเมียอีกแกเป็นคนซื้อแม่คำเอ้ยรู้สึกว่าปวดห้องน้ํามองตัวไอ่เหมือนนักจะเวียนหน้าเวียนตาเป็นตะขั้นตาคอยังไงอย่างเงี้ย ปวดห้องน้ําก็เข้าห้องน้ำแต่ห้องน้ําก็อยู่นั่นแล้วไปเข้าละาแกก็รีบไปเข้าห้องน้ําพอเข้าไปในห้องน้ํายังไม่ได้ปิดประตูเลยปิดประตูยังไม่ได้ปิดเลยแกก็เกิดลมอหน้ามืดขึ้นนาทีนั้นเรียกว่าโลกวูบมันเป็นวูบเป็นมาล้มลงไป นาทีนั้นแล้วจิตก็ออกจากร่างพอดีในขณะที่ล้มลงไปจิตของแกนะของโกเดียนก็ออกจากร่างมายืนดูตัวเองอยู่ไ อ, ไ, อ ไ, อไอ้ยาไอยาเปิงลมว่าเปิงลมว่าร่างกายมันนอนงงพั ง, งาบพางาบอยู่เขาเรียกว่าเข้าขั้นโคมา่าเข้าขั้นโคม่าแล้วเวลานั้น ใครจะช่วยวะใครจะช่วยวะนึกวิตกอยู่อย่างงั้นน่ะแม่คำได้ยินเสียงดังคลืนดังดังมันล้มไปปะทะกับประตูซึ่งก็ตีด้วยสังกสีมั้งทาไมมันดังแรงดังครืนเลยเอ๋เสียงดังผิดปกติอะไรเรียกเรียกไปว่าโคเดียนโคเดียน อาเฮียอาเฮียเงียบเอ๊ะเปปกติเรียกสองทีสามทีก็ไม่ขานมันมีอะไรเกิดขึ้นว่าอะไรหลงไปไปดูไปดูที่ห้องน้ำไปดูก็เห็นนอนหลายหายใจผงาผงาผง า, งาอยู่นั่นเองเลยร้องขึ้นสุดเสียงว่าพี่น้องทั้งหลายเอเ อ, เอช่วยด้วยโคีินเป็นลม อยู่ในห้องน้ําฉันผู้หญิงคนเดียวเอาไม่ไหวอ่ะโกเดียนเขาอ้วนมากน้ําหนักมากฉันอุ้มไม่ไหวพี่น้องทั้งหลายช่วยด้วยช่วยด้ว ย, วยลองขึ้นพี่่พี่น้องที่อยู่ใกล้ๆทั้งหลายพากันรูกันมามาช่วยเอาล่างของโกเดียนเข้าไปประถมพยาบาลในบ้านโดยสปันตันดวนนั่นแหละ แต่ว่าวิญญาณของโกเดียนไม่ได้ตามเข้าไปในบ้านเลยอยืนงงอยู่นั่นเหมือนน้ำไก่ตาแตกเลยซื่อบื้ออยู่นั่นอาย่าอาย่าเขาหาสมเข้าไปก็เพียงจะมองตามเฉยๆไม่กล้าจะเข้าไปในบ้านวิญญาณไม่กล้าเข้าไปในบ้านตามล่างของตัวเองละ่ะเพราะอะไรถึงไม่กล้าเข้าไปในบ้านเพราะว่า ที่บ้านแห่งนั้นเขาทำพิธีมงคลกันทุกปีได้ที่สายสินที่เวียนรอบบ้านยังมีสมบูรณ์อยู่สวดมนต์ทีไรเขาได้นั้นของพุทธภาพุทธรูปขอม่อนมนและกรเจริญพุทธมนต์กันเสียง อ, อ่อนเวลาเลิกได้ที่รอบบ้านอยู่ไม่ ไม่เลอือยังอยู่อย่างเก่าเพื่อป้องกันะยันตาลายต่างๆหลายอย่างเพราะฉะนั้นได้สายสินจึงเป็นของแขางของดีอยู่ลนะวิญญาณไม่สามารถกลับเข้าไปในบ้านได้เลยตรงนี้ยืนมองอยู่ที่นั่นวันนี้จะกล่าวถึงร่างของโคเดียนเขาเอาเข้าไปในบ้านเขาไปตามหมอม า, อาหมอหิวกระเป๋ สําหรับรักษาคนในบ้านหมอเทือนก็นว่าเดี๋ยวหมอโรงพยาบาลแนละ้หมอเทือนไปตามเอาหมอหมอรอดหมออะไรมามาฉีจยาหรือมาอะไรให้คนไปตามก็ตามคนนวดฟันขั้นศีนมือก็อทําปั้มหัวใจให้ก็ทําอยู่ทางนี้วัดนี้จะ ก, กล่าวถึงวิญญาณดวงนั้นยืนงงอยู่ในห้องน้ําแห่งนั้น เป็นเวลานานพอสมควรนะหลายหนาทีทีเดียวสักประเดียวเดียวก็มีคนบุรุษรีร่างกายกำยำาล่ำสันมากแต่งตัวสมัติแมแงจรูกันเข้ามาในห้องน้ำ เ, เข้ามานะหาโกเดียนหาวิญญาณโกเดียนอนะนั่นสังเกตดูว่า ผ้านโปกทิศะด้วยสีแดงแดงนุ่งเชื้อมอห้อมแล้วผ้าผาาคลุงก็สีแดงแดงแนขนแขนกระดัดเสื้อมอห้อมละมีลูกดุมขาวๆเป็นแถวเป็นระเบียบดีคนละห้าลูกห้าลูกดำลองนี่ลูกดุมตู้กันเข้ามาแต่งตัวแบบเดียวเป็นเปียบเลยเคนหัวหน้าเลยถามว่า ชื่อโคเดียนใช่ไหมาโ ว, วิญญาณโกเดียนก็ตอบว่าใช่เลี้ยวอ้วกโคเดียงละอะ่อโกเดียงละ่ะไม่ได้ถามชื่อแซ่อะไรไม่ได้ถามแซ่อายุอานามอะไรไม่ได้ถามจัดการเพราะว่าโกเดียนนั่นก็บอกลูกน้องสังหายจัดการได้พวกนั้นก็จัดการจับโคเดียนเลยจับวิญญาณโกเดียน โคเดียนก็ต่อสู้สุดชีวิตอฟื้นเต็มที่แต่ว่ากำลังไม่มีเขาบีบทีเดียวเท่านั้นแทบกระดูกจะแตกเพราะว่ามือเขาแข็งมากเหมือนทั้งคีมเหล็กเท่นั้นดีนไม่ได้แ้วดีนแล้เขาบีบไม่แตกกระดู ก, ก็จะแตกสิ้งเป่าอย่างนั้นอ่าอาเลยยอมจำนนเขาไป ตามหลังเข้าไปเขาวาไปข้างนอกบ้านออกจากประตูห้องน้ำห้องตูวมแล้วไปทางประตูบ้านทางโน้นอา่านอกเขตบ้านไปพอไปถึงนอกเขตบ้านกขาพอดีหมอปอดหรือว่าหมอลอดหิ้วกระเป๋าอย่างรีบเร่งอา่าเดินสวนทางมาจะเข้าไปในบ้านไปรักษาอา่าคนป่วยในบ้านนะร่างของโคเดียนนะอย่างรีบเร่ง เขาเห็นหมอมาก็ดีใจกัเรียกคุณหมอคุณหมอช่วยอัวรุยช่วยอัวรุยเขาจับหัวไปเลี้ยงคุณหม อ, อหมอไม่เหลียวเหลียวมาดูเลยร้องแทบพอจะแตกแต่ว่าหมอไม่ได้โงกหน้ามาดาูวิญญาณดวงนั่นเลย เ, เพราะฉะนั้นวิญญาณกับมนุษย์ติดต่อกันไม่ได้ เ, เวลานั้น เสียงไม่มีเลยถึงจะร้องขนาดไหนเสียงของวิญญาณก็ไม่มีพรา ะ, ะนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวหมอก็เดินตรงเข้าไปในบ้านเฉยเลยเหมือนดังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นล่ะน้อยใจตัวเองแม้คุณหมอในคนบ้านเดียวกันแท้ๆรู้จักกันดีแต่เราเรียกให้ช่วยทาไมเฉยเมยอย่างนี้หรอเออ อ้าวไปก็ไปอะเผาบาไปก็ไปลนะา พ, าปปลพอไปลวทีนี่ก็ลิ้วไปเลยนะไม่ได้เหยียบแผ่นดินดวงวิญญาณนะไปกับยมประทุนะ่ะไม่ได้เหยียบแผ่นดินพาไปอย่างรวดเร็วเร็วมากาจนก า, าไม่ถูกว่าไปเร็วขนาดไหนอันนี้สมดัง พาติที่ท่านาาาพระบรมครูท่านว่าไว้ว่าปพัตตระมีดังพิกขเวจิต ด, ดังดูคอนพิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นปพัตสอน เ, อเวลาไปไปอย่างรวดเร็วที่โตษไปได้ไกลที่โตอ แล้วก็ไปคนเดียวเวลาจะไปดวงกิจถ้าไม่มีใครจับไปก็ไปคนเดียวไปได้รวดเร็วมากเวลากลับมาก็กลับมาอย่างรวดเร็วจึงว่าเป็นปปัปสอนไปได้รวดเร็วเอก็จะลังเวลาไปไปคนเดียวเวลามาของมารวดเร็วถึงที่ได้ง่ายนี่เป็นภาฏิตของพระพุทธเจ้าอ้างไว้สมดังนั้น ไปได้รวดเร็วจริงๆนี่มันไปกับยมปทูตยมปทูตพาไปเขาพาเร็วกันเร็วตามเขารี่วเรี่ยเร็วไปเรื่อยจนไปถึงศาลายายเขาเรียกว่าศาลาพันห้องซึ่งมียมประวานนั่งเข้าอี้ใหญ่คอยตอบสวนคนอยู่ที่นั่นพอไปถึงที่นั่นเขาก็ผากที่ไรฝากที่วาลไยให้นั่งลงตรงนี้นะ โอเดียนนั่งลงตรงนี้นะโอเดียนครับผมอย่าหนีไปไหนน ะ, ะเวลาเรียกจะได้เข้าไปทันเวลาไม่ต้องช้าครับผมฝ้าแล้วเขากห น, นีไปละไปหาจับเอาคนอื่นวิญญาณดวงอื่นต่อไปวันนี้จะกล่าวถึงทางบ้านหมอมาหมอมาตรวจดูชีพจร เต้นทีเข้าทีเข้าทีเข้าชั้นขึ้นมาชั่นขึ้นมาความความเย็นก็เย็นขึ้นมาจากหัวเขาตามแขนมันเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาเหลือแต่หัวใจมันเต้นหีบประจรเต้นตีปับปับปั บ, ป บ, ปบอยู่ไม่ช้าไม่นานอหมอก็ฉีดยาบำรุงหัวใจให้ละทีแรกฉีดยาสมัยนั้นดูเหมือนแคมเฟอร์อินออร์ สมัยนั้นยาบำรุงหัวใจมียาแชมเปอร์อินนอยเป็นที่หนึ่งสำหรับบำรุงหัวใจให้อีกนนแล้วก็ไม่กล้าจะให้ยาอย่างอื่นเพราะหัวใจมันอ่อนแล้วสักวัเดียวเดียวก็ล่มละลายหัวใจล้มเหลวเราเรียกว่าหัวใจหยุดทำงานทันที หมอ ก, ก็ตรวจดูชีพจรไม่มีไม่เต้นแล้วครับบอกกับแม่คําว่าแม่คัมเอ้ยเสียใจด้วยนะอ่าโคเดียนสิ้นใจซะแล้วแม่พอพูดแบบนั้นแม่คําก็ร้องไห้สุดร้องไห้สุดเสียงเลยโออย่างแรงเลยก็ปลอบใจกันไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจทํำตามประเพณีซะอ่าเขามีประเวณีอะไรก็ทําตามเถอะนะ เขาก็ต้มน้าร้อนน้ําอุ่นมาพอดีอาบน้ําอาบผ้าให้ท้าขมิ้นให้อย่างดีเขาก็เอาโลงเอาไม้มาตีเป็นกระโล่อตีเป็นกระโล่งแล้วก็เอาโกเดียนเข้าในกระโล่งนั่นไม่ได้ปิดขวาหรอกกะโล่งไปตั้งไว้ตั้งไว้แล้วก็ขึงเชือกจากเสาหนี้ไปถึงเสาโน้นเอาผ้าขาวมามาดอยขอเขาเรียกว่าดอย มาค่มปงไว้เฉยๆไม่ได้ติดป๋าด้วยและไม่ได้ฉีดยากันเน่าด้วยในสมัยนั้นถ้าฉีดยากันเน่าคงจะเรียบร้อยไปแล้วนะเป็นอย่างนั้นตอนกลางคืนมาก็ไปอาราธนานิมนพระคุณเจ้ามาม า, มาติกาบางสกุลให้ตามทำเนียมออตอนเช้าก็อาราธนามาฉันพันธนาหน้าศบ อย่ดังนี้เป็นรรมเนียมบัรนี้จะกล่าวถึงวิญญาณดวงนั้นไปถึงที่สลาพันห้องแล้วเออก็งงอยู่นะยังงงงงอยู่ยังไม่เห็นอะไรแต่ว่ามองไปมองมารอบๆแมคนมันหลายจริงๆเต็มหมดในสลาใหญ่พันห้องนั่นก็เต็มนอกนั้นอยู่ ตามสมทุมพุ่มไว้ทั้งหลายก็เต็มไม่หมดแอะอัดยัดเยยดรอคิวกันอยู่มองไปมองมาเห็นเขาผูกมัดทิศซุ่มบ้านเดียวกันทิดซุมดซ่มนล้วกเขามัดแล้วก็จูงออกมาแล้วก็ตีไปทางนั้นไม่ได้มัดจูงไปเฉยๆตีไปด้วยเอ๊นี่ทิดซุม่มนี่หวารู้จักคนบ้านเดียวกันทิดซุม่ม เลยระลึกได้ว่าแหมเมื่อวานนี้ถ้าเราจำไม่ผิดเขามาซื้อไม้กระดานที่บ้านของเราถามเขาว่าเอาไม้ไปทําไมไม่กำลังนี้ไปทําไมเอ่อเอาไปทําหีบใส่ทิดซุ้มทิดซุ้มตายแล้วนก็เลยระลึกได้ตอนนั้นว่าทิดซุ้มตายแล้วทําไมเขาผูกมัดไป เออที่นี่แล้วจุ่ไปที่นั่นทิศชุ่มชัดๆไม่จําไม่ผิดนะอเออถ้าอย่างนัง้นเรามาที่นี่รเราก็ตายสิเพราะว่าก่อนมาที่นี่เราไปลม้ลมลงที่ห้องน้ำํำผงาบผงาบอยู่ในห้องน้ําแต่ดวงวิญญาณยืนดูอยู่จิตใจเรานี่ยืนดูอยู่มไม่ไดีไม่ได้เผลอได้หลงเลย แต่่อเขามาหอบเอาล่างอุ้มเอาล่างของเราเข้าไปในบ้านแต่เราเข้าไปในบ้านไม่ได้อ ะ, อะสักปรเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนสี่คนรู้กันเข้ามาในห้องน้ำก็ามาจับเอาเราที่นั่นเราต่อสู้เขาสุดชีวิตก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกมาเจอหมอรอด หิ้วกระเป๋าอย่างรีบเร่งเข้าไปในบ้านเรียกให้หมอรอดอช่วยเคยด้วยเขาก็ไม่มองเราเลยอตอนนั้นก็หมดอะไรตายยากก็ต้องตามเขามาเขาพามาเร็วเหลือเกินเิ้วเล้วเล ว, เวไม่ได้เดินตามดินเลยอถ้าอย่างนั้นเราก็ตายสิพอรู้จักว่าตัวตายแน่ละก็เลยเสียใจใหญ่ร้องไห้โหขึ้นมา แม่คําเอ๋ยแม่คําเอ๋ยว่วตายแล้วกายแน่แน่แล้วเสียรายนะแม่คํายังเป็นสาวเป็นนางกําลังสวยกําลังสาวแม่คําเสียรายเสียรายร้องให้ปั้มเพ้อไปต่างๆคนตั้งแสนก็อมองมาดูโกเดียนเป็นดาเดียวกันในเวลานั้น เห็นคนให้ร้องให้คนเดียวเขาขอมมองเป็นของแปลกประรลาดเนี่ยสารคิด อ, อ, อายเขาเไงแมคนอื่นเขาก็คงตายเหมือนกันกับเรานะเขามาเห็นร้องให้เรามาร้องให้คนเดียวนั้นาอายเขาไงอะไร เ, เช็ดน้ำหมูน้ำตาขึ้นมาเสร็จแล้วนั่งเฉยๆตะเกียบเดียวเดียวก็มีนายตรวจเดินผ่านมาที่นั่นบอดี นายตรวจแถวตรวจหมูมันเป็นระเบียบเรียบร้อยยังไงยังไงเขาเดินตรวจอยู่แถวนั้นนายตรวจเดินผ่านมาใกล้ๆก็เลยบอกว่านายนายรู้สึกว่าหิวมากนายหิวน้ำหิวข้าวว่าจะไปขออนุญาตไปหากินน้ําได้ไหมนายได้แต่ว่าอย่านานนะเขาก็บอกว่าในพิภพนี้ ในพิพพนี้ในเมืองนี้ถ้าไม่ตัวเองไม่ได้ทำไว้จะไม่ได้กินอะไรเลยนะอำลายโูดเดียนเลยไปหาลองดูบางทีเราอาจจะได้ทำไว้ถ้าเราได้ทำไว้ได้กินได้กินน้ำได้กินข้าวถ้าเราไม่ได้ทำไว้ดูสินั่นทั้งหมดเขานั่งอยู่ของใครของมัน ใครได้ทําไว้ก็มีเยอะใครไม่ได้ทําไหวก็อดอยากปากแห่งกันอยู่อย่างนั้นละ่ะกินด้วยกันไม่ค่อยได้อ่ามันเป็นยังไงพี่พภ์ี่เป็นอย่างนี้และไม่มีตลาดซื้อขายกันเลยนะจะซื้อน้ําก็ไม่มีไม่มีน้ําขวดน้ําเกิดเหมือนสมัยนี้หรอกทำอะไรก็ไม่มีอืมน้ำํำอ่าสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็ไม่มีขายกันละแถวเล่นอะ เออไปเปเขาอนุญาตแล้วก็ไปแล้วเลี้ววออกไปเออไ ป, ไปแล้วก็ไม่ได้ขีดขวางใครคนหลายๆไปอย่างเนี้ยจะไปทางนู้นก็เลี้วไปเลยริ้วไปเลยไม่ได้ขีดขวางไม่ได้ขอทางหน่อยอย่างเงีอย่างเงี้ไม่ได้ขอไปได้เลยริ้วไปเลยเออไปสักปรเดี๋ยวเดีย ว, ยวไปเจอลุงเอี่ยมเข้าเนมาลุงเอี่ยมนั่งอยู่น่ะเออนั่นลุงเอี่ยมนี่วะนั่นลุงเอี่ยมวา คนบ้านเราไปหาหลุงเอี่ยมคงจะได้กินนวะหลุงเอี่ยมนั่งอยู่เก้าอี้ภูมิฐานมีโต๊ะตั้งอยู่ข้างหน้าโต๊ะอย่างสวยงามหรูหลาอยู่บนโต๊ะนั้นมีน้ำเต็มเหยือกน้ำเต็มขวดน้าก็เต็มหม้อเขียวก็มีหม้อขาวก็มีเต็ม หมอข้าวหม้อแกงแกเคยไปจังหันขันหมา ว, วยูตก่อนนันอานิสง์นั่นไปตั้งรอรับแกอยู่ที่นั่นแล้วเออไม่ตายแน่ผมได้กินกับหลุงเอี่ยมแน่แกก็เข้าไปไปทักว่าเออหลุงเอี่ยมมาเหมือนกันเหรออยู่ที่นี่เหรอเนี่ยหลุงเอี่ยมอะอ้าวโกเดียนก็มาเหมือนกันเหรอเนี่ยอ่ามา่ปุ๊กเลียวเนี่ยมาถึงปุ๊กเลี้ยวเนี่ยไม่นานนะ แต่กำลังหิวทีเดียวลุงเหยี่ยมมีอะไรกคีได้มีอะไรกินได้บ้างอ่ะโอ้ยไม่อดนาะไม่อดของลุงทั้งนั้นน่ยอยู่บนโต๊ะเนี่ยเต็มอยู่เนี่ยของลุงทั้งนั้นเปิดดูหม้อไหนยังอายละหุยอยู่ร้อนๆอยู่น้ําของลุกงก็ไม่อดเต็มกินค่อยกินแต่ว่าขอพูดให้ฟังว่าในพิภพนี้ เขากินของใครของมันนะโกเดียนเขากินของใครของมันนะ่ะของลุงนี่ลุงทําไว้มันมารอรับลุงอยู่ที่นี่แล้วเอไม่รู้ออกมาอย่างไงเต็มอยู่นี่นี่เขาก็เอามาส่งที่นี่เลยมันนั่งคอยคิวอยู่ที่นี่หิวอะไรกกินได้กินไม่หิวอะไรเลยอุดมสมบูรณ์อแต่ว่าโคเดียนนะ่ะเอ่ได้ทําไว้หรือเปล่า จะกินได้หรือเปล่าโคเดียนก็ตอบว่าเฮ้ยลุงยมก็พูดไปได้คนบ้านเดียวกันแทๆอๆจริงคนบ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ขณะที่เราออยู่บ้านะไปเชิญชวนโคเดียนทีไรแทบจะเอาตัวไม่รอดโคเดียนเขาว่าจะพูดว่าทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าได้กินอว่ายอย่างนี้ เออแน่ล่ะมีอนี้นสงจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะเอา้าลูกจะให้กินเราเอาน้ำนนํำมาจิ้นเทน้ําใส่แก้วเทน้ําจากเหยือกน้ำเย็นๆนั่นแหละเทใส่แก้วยื่นให้โคเดียนโคเดียนก็จับไปกระเดือกเลยเออไปอึกเลยเออพอจิ๊บเข้าไปเออเอาน้ําใส่ปากปกิีบเข้าไปมันร้อนเนี่ย ได้ออ้อนร้อนดอยร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนไ้อ น, น้อนร้น้นร้นร้อนร้อ้อร้อนร้อนร้อนร้อนอน้อนร้อน้้ออ้อ้นร้อนร้อนร้งไงก็น้ําล้งนทให้แต่้อนนร้อน ไ, น ไ, ไ, ได้อนร้งนอามาออน้อามาแล้วนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนม้อนอย่างนันร้อนร้อนร้ออย่างนี้ก็ไม่ได้กินน้นะําร้ร้อนร้อ้ เ <c oughs> นี่ยไม่เห็นว่ามันร้อนตรงไหนเลยเออไม่ร้อนตรงไหนเลยกินได้สบายเอาเทให้ใหม่เทให้ให ม, เใหใหม่เต็มแก้วแล้วยื่นไปให้โคเดียนก็จับทั้งร้อนนะะั่นล่ะเก็บไม่ได้อีกเก็บเท่านั้นก็ลุยลวกลุ่นลวกลุ่นกินไม่ได้ร้อนนี่อันนี่สงการให้ทานมันไม่มี เหมือนลหมาบ้ามันแสดงออกมาหมาบ้าเนาะถ้ามันติดอโรค ก, กลัวน้ําเข้ามาแล้วใครจะเอาน้ําไปให้มันกินมันก็กินไม่ได้อยากกินน้ําแทบล่มแทบตายอวิ่งเข้าไปหาน้ําเท่านั้นกลัวน้ําเอาปากกระตึอเอาปากกระเด้อแก้วน้ําหรือขันน้ําให้กว้างไปให้ออกไปฉะนั้นมันกินไม่ได้ ร้อนหรือมันเป็นยังไงไม่รู้นั่นโรคหัวน้ำอ่ามันเป็นอย่างนั้นมีบาปของกรรมอ่ามันให้ผลอย่างนี้อยากกินน้า ก, กินไม่ได้เอา้าสงสารหลุออยี่ยมก็เลยตักข้าวใส่จานเปิดหม้อแล้วก็ตักข้าวใส่จานตักแกงราดหน้าให้อย่างดียื่นให้โคเดียนดื่มสากินสากินน้าไม่ได้กินข้าวองจะได้หรอก โเดียนก็กำลังหิวทีเดียวจะกุ้ยเลยล่ะจับมาแล้วจะมากุ้ยเลยพอจับช้อนขึ้นจะตักตอนนั้นไอ้ยา <c oughs> จิ้งเข้าไปล่อย่างไงลุงเหียน ม, มันมีแต่ขี้เท่าเดียวมีแต่ขี้เท่าเต็มจานแล้วมีแต่กะลากะเงินกะลาทองอเต็มจานเลยไหนก็ลุงตักให้แท้แท ทำไมจึงกระลายเป็นอย่างนั้นไหล่งเออพอมองตามก็เอกใจว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเอามาเอามายื่นมาถึงมือลุงเอี่ยมพอมาถึงมือลุงเอี่ยมก็กระจายเป็นข้าวลาดหน้าดีๆนี่นะนะไม่เห็นมีอะไรจะไปเป็นขี้เท่าอะไรยังไงลุงเอี่ยมก็กุ้ยให้ดูกินให้ดูกินได้ย อ, อ, อย่างอริตรอยยื่นให้โคเดียนอีก ก็กลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นกระดาษเงินกระดาษทองอีกแหมมันเป็นอย่างนั้นวิบากของกรรมอ๋ออา น, นิสงส์ของการไหว้เจ้าเขากระดาษมันเป็นอย่างนี้เท่วนะไม่มีอะไรมีแต่ขี้เท่ากับกระดาษเงินกระดาษทองเท่านั้นเองอส่วนที่ว่าไหว้เจ้าได้กินนั่นคือเขาหยิบมากินเองเขาไม่ได้พิจารณาปฏิสังขาโยได้อย่างใด เอาวันี้ธาตุปัญจเวทเขาก็ไม่ได้พิจารณาว่ายเศ็ษฐุลาแลา้วก็หยิบมากินเฉยๆไม่มีใครให้ศีลให้พรที่ไหนไม่ได้กวดน้ําหมายทานที่ไหนเขากินอย่างธรรมดาเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีศีลเพื่อนฝูงทั้งหลายก็ไม่มีศีลการทาบุญให้ทานนะไปถวายให้ท่านผู้มีศีลมีธรรม ท่านฉันท่านพิจารณาปัจเวิกตะกอนพิรนาธาตุปัจเวกกตะกอนอาหารเลนอาหารทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นธาตุคงเป็นเปรตดำบรรจัยของมันตอานั้นเป็นของไม่น่าลำเกียดแต่มาถูกต้องร่างกายอันเปืยเน่านี่แล้วย่อมเป็นของน่าลำเกียดยิ่งนักท่านพิจารณายจงโดยแยกกายสะกอนท่านก่อฉันฉันกระเพืองเพื่อ บำบัดเวทนาเก่าให้มันหมดไปแต่ก็จะได้เวทนาใหม่ขึ้นมาแทนการฉันนันนี้ก็เพื่อได้อยู่รอดในประพุทธปฏิบัติพรมอาจารย์ต่อไปเท่านั้นเล่าเรียนศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปเท่านั้นการฉันนันดีกว่านั้นไม่มีกินลงไปไม่นานเท่าไหร่มันก็ออกมาเป็นขี้เท่นานัละพิญญา อาหาเล่ปฏิกูลสัญญาอยากดีจะก่อนท่านถึงฉันเวลาฉันแล้วท่านก็ยัดสาสปีให้ผู้ทบมบุญให้ทานก็ะตรวจน้ำหมายทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายจนตลอดตัวของเราเองด้วย เ, เขาก็ได้ความอิม่มอกอิ่มใจตั้งแต่วันแรกแล้วนั่นมีอานิสงส์อย่างนั้นเหมือนดังบุคคลอยากแกดูหน้าตัวเอง จะแกเห็นใบหน้าตัวเองถ้าไม่มีกระจกเงาจะไปเห็นได้ยังไงมองไปที่ไหนก็ไม่เห็นหน้าตัวเองพอมีกระจกเงาสะท้อนภาพขึ้นมาก็จะเห็นหน้าตัวเองชัดแม้ฉันใดบุคคลผู้ทำบุญให้ทานถ้าไม่มีพระเจ้าพระสงค์ผู้มีศีลมีธรรมรับใช้จะมีอานิสงส์ที่ไหนา เพราะพระเจ้าพระสงฆ์นั้นเป็นกระจกเงาที่จะสะท้อนบุญกุศลให้ได้รู้ได้เรื่องราวตัว น, นั้นจะเห็นหน้าได้ชัดแม้สันใด อ, อันโคเดียนนี่ก็เหมือนกันเขากินเองเขานั่นเองเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผลสะท้อนให้เขาได้รับผลวิบากันนั้นเท่าที่ควรนั่นเองและกินสองทีสามทีก็ออกไม่ได้ ทำยังไงก็ไม่ได้ลุงเหยี่มก็เลยบอกว่าเอาเดินไปดูเดินไปดูบางทีอาจเจอของของของตัวเองเอตัวเองได้ทํำว่าอย่างไรก็จะเห็นนะนี่หมู่บ้านของเราตําบลเราอยู่แถวนี้แถวนี้ไปนี่ไปนี่ตําบลชุมแสงอำเภอชุมแสงไปแถวนี้ไปตามนี้นั้นมันตําบลอื่นบ้านอื่นแถวนั้นแถวนั้นไปอย่างงี้ เออเก้าชี้บอกไ้หมดเป็นแถวเป็นแนวกันดี เ, เดินไปรล้วๆๆ้ว้วไปสักไปเดียวเดียวลาลลงเหยียบแล้วก็เป็นดูไปเจอจริงๆไปเจอโตโต ต, ต, ต, ตัวที่เคยว่าเจ้านั่นแหละโตใบนั้นจำได้มีชื่อติดอยู่ว่าโกเดียนแซ่ริมเอ่อติดไว้ที่หน้านะอาของวัวจริงๆ แต่ว่ามีกระถางทูบตั้งอยู่กระถางทูปนั้นยังไม่ดับเลยยังควรกุมอยู่นั่นเองใต้สารทูปลงมาก็ไม่มีอะไรมีจำแตกขี้เท้ากองอยู่เป็นระเบียบอ่าแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองก็กองอยู่เป็นระเบียบตกลงมาใต้โต๊ะก็ยังกองกันดีเป็นระเบียบดีไม่ได้ปิวนี้ไปไหน เออของวัวจริงๆนี่ของวัวจริงๆเนี่ยแต่ว่ากินไม่หลอยสักอันเลยไม่มีอะไรกินได้สักอันเลยมีแต่ขี้เท่ามีแต่กระดาษเงินกระดาษทองอันนี้แหละนะเราไหว้เจ้า เ, เป็นประจำทุกปีทุกปีถ้าวันเซ็งเมง้งหรือวันสาธีมาเราขอไหว้ทุกปีทุกปีก็มาเห็นมีอะไรในนี่มีแต่ขี้เท่ากับกระดาษเงินกระดาษทองแค่นี้แหละนะ จึงประกาศขึ้นว่าเป็นอังว่าเลิกเหล็กขากเนี่ยเลิกเหล็กขากแล้วไหวเจ้าเผากัะหลับมาเหงื่อลุ้ยตาตัวเองแล้วอกินไม่ได้สักอย่างเลยอยู่ในเนี่อมีแต่ขี้เท่ามีแต่กระดาษเงินกระดาษทองข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะเลิกแล้วถ้าหากมีโอกาสกลับไปเมืองมนุษย์อีกเราจะบวช ให้ได้แก้ตัวอขอให้ข้าพเจ้าเจะได้กลับมีโอกาสกลับฝื้นไฟเถ อ, อะสถาบาลต่อโต๊ะตที่ตัวได้ไหวเจ้านั่นเองแล้วก็กลับมาหาลุงเยี่ยมมาหาลุงเยี่ยมคอตกมาโอ้ยลุงเหยี่ยมไปไใ้คราวนี้จะอดตายแน่แล้วอขอให้อลุงเหยี่ยมจําไว้นะ ข้าพเจ้ากลับไปเขานี่ะจะเลิกเหล็กขากและก็จะบวช ด, ด้วยบวชกับเขาด้วยเพราะในชีวิตไม่เคยได้บวชกับเขาลุงเอี่ยมกษัตริย์ทูด้วยอำนาจบุญกุศลที่ลุงได้กระทา ม, มาอขอส่งผลให้โกเดียนจงสำเร็จความปรารถนาเถิดจงโมทนาเอากับลุงนะ ลุงได้ทำมามากแล้วถ้าจงมอนาเอากับลุงนะลุงให้ส่วนบนนี้สาธุกับลุงเหอี่ยมพอคุยกันไปพอได้เรื่องในเราแล้วเขาก็เรียกทางโนงโ้นทางยมบาลทางศาลาใหญ่บุณเรียกโกดีขึน้นวะอ้าวได้ยินได้ชัดเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วเขาเรียกเราวไปรีบไปละอีกกว่า เอออาบลาลุงเอี่ยมแล้วก็ไปล่ะเลี้วไปเลยอ่าไม่มีอะไรจีดขวางเลยริ้วเลี้วเวเ ว, วถึงอ่าหน้าโตยมวานเลยไปโค้งคำนับที่นั่นอ้ามาแล้วเหรอโคเดียนอ่าครับผมมาแล้วอ่าชื่อโคเดียนเหรอครับผมแล้วนามะกุลอะไรอ่าแซ่ลิ่มมา อาบัญชีทางซ้ายบัญชีทางขวาเปิดเปิดบัญชีดูโคเดียนใช่ไหมใช่แต่นามตะ ก, กุลไม่ใช่นามตะ ก, กุลอะไรนามตะ ก, กุลแท่ตั้งแหมมันผิดกันนี่ว่าโคเดียนเขาว่าเขาแทร่ลิ่มอันนั้นแท่ตั้งได้ยังไงขอถามอีกอสองข้อ แล้วอายุเท่าไหร่โคเดียนอายุเท่าไหร่อายุสี่สิบสองปีจะเข้าสี่สิบสองปีแล้วในบัญชีว่าไงไม่ใช่อีกอายุโคเดียนคนนี้แท่ตั้งเนอายุตั้งเจ็ดสิบสองปีแล้วเออผิดอีกแล้วอายุก็ไม่ใช่อ่นามสกุลก็ไม่ใช่ขอถามอีก ข้อสุดท้ายภรรยาของโคเดียนชื่ออะไรชื่อแม่คำชื่อนางคำนะแต่บอกไปนามตระกูลของเขาต่างหากในบัญชีว่ายังไงในบัญชีไม่ใช่นี่ผิดเพี้ยนไปอีกเป็นแม่บุญมาหรือแม่อะไรไปอย่างนั้นละโอ้ยมันผิดทำอะไรไม่รู้ไม่ดูตาม่าตาเลอ โยมบานก็ตีโต้ดึ ง, ด ง, ดงดึงดึงโอ้ยไปทำอย่างนี้ทำสับเพ้าเว้ยทำสับเพ้าจับคนไม่ได้ดูตาม่า้าเรืออะไรเสียเวลามนุษย์ทั้งหลายในดินแดนมนุษย์เขาตายเพียงสามวันเท่านั้นเขาก็เอาไปฝังแล้วเขาก็เอาไปเผาแล้วเอาไปส่งลยแล้วอเอาไปส่งเขาลยแล้ว ประเดี๋ยวจะสีบไม่ได้ครานพวกยมมาทูตทั้งหลายผู้จับมาก็ตาเรี่ตาลานกุรีกูจอเขาไปจับออกแขนโกเดียนลากถูกหลูถูกังไปเลยเไม่ได้ฟังล่ะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยมาบาลดุร้ายแล้วเลี้ยวไปเลยเลี้ยวเ้วเลี้วเ ว, ว, ว, วไปเลยในในระหว่างทางกำลังหิวจัด แต่เลยบอกว่านายนายหนิวน้ำหรือเกินนายถ้าพบน้ำให้ได้กินน้ำหน่อยได้ไหมได้ได้ถ้าเจอน้าจะให้กินหรอกอแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีน้ำอพอมาทางทางแล้วมาปรากฏว่ามานานพอสงควรแล้วถึงบ้านตัวเองละแต่ว่าในบ้านมันเป็นนิมิตหมายอันหนึ่งมันเป็นนิมิตหมายไม่มีบ้าน มีติดท้องไร่ท้องนาโล่งอยู่อย่างนั้นมีแต่ซากควายตายาขาวโผลนอยู่กระดูกมันขาวโผลนอยู่แต่ว่าข้างบนมันล่อนล่างลไปแล้วาขาวเห็นกระดูกขาวแต่ว่าข้างล่างมันมีหนังรองอยูอ่มีหนังรองอยู่แล้วก็มีน้ำขังอยู่ในหนังหนังควายนะ่ะ นายนายเจอแล้วนายน้าเจอแล้วไหนน้าอยู่ไหนนั่นอยู่ในโครงควายน่ะดำปีแล้วมันมันทั้งแดงทั้งดำเราอยู่ในโครงควายน่ะเออจะกินได้ยังไงกินได้เหรอได้ขอให้เดียสักอึกสองอึกเกอเพื่อเด็กก้าขอขอวาคอคอคอแห้งเป็นไฟแล้วอเอขนขนอเอาที่จะกินได้ก็เอาที่ ทำโค้ ง, งลงไปคุกเข่าลงไปจะมุดเข้าตูดควายนั่นเองตูดควายมันโหวโหวอยู่เขาก็ผักที่ท้ายทอยผักหรือสุกที่ท้ายทอยปิงดับเข้าไปในโค้งควายเลยเข้าไปในโค้งควายแล้วดับเลยพอรู้สึกตัวขึ้นมาพยายาเขามัดจินมัดมือเราแล้ว ก ร, กระดุกกระดิกไม่ได้แล้วรู้สึกแล้วลืมตาดูข้างบนก็เห็นแต่ผ้าขาวคุมโปงอยู่เรียกว่าดอยนะคุมพาดไปตามเชือกน ะ, ะแต่ว่าข้างล่างข้า ง, งข้างข้างใต้ข้างขวาก็เป็นฝาฝาหีบเอ๊ะทำยังไงเนาะก็รวบรวมกำลังของตัวเองขึ้นจะเรียกก็ช่วยด้วยช่วยด้วยก็เรียกไม่ได้ พอตายไปแล้วตั้งยี่สิบชั่วโมงรลวอว่าตั้งแต่วานเนี่ยเอาพระมาฉันจนเอาพระมาฉันแล้วก็ส่งพระกลับไปแล้วเหลือแต่แขกผู้มาในงานกินข้าวรอบรอบหยิบอยู่นั่นได้ยินเสียงคุยกันโจเจโจเจยโจย โ, จย โ, จยโคเดียนไม่น่าตายเลยนะอายุยังน้อยยังนม สี่สิบสองปีแม่คัมมายังหนุ่มยังสาวอ่า่ะเสียดายจริงๆคุยกันอยู่อย่างนั้นเอ๊เขาคุยกันอยู่นี่คุยเรื่องของเราซะด้วยอ่าก็รวบรวมกําลังกันมาให้เลือดลมมันวิ่งได้ดีๆกัดกระตือสอกได้แล้วอืม้ า, ามือเขามัดกันไว้อย่างเนี้ยาวอะไรเรียบก็สอกกันดูกดันดงเดี๋ยวแล้ ว, ลวก็เลยเอาศอกของที่ฝาหยิบน่ะดัง ตึงๆเลยนะตึงๆอย่างนี้อ่ะตึงๆอย่างนีสองทีสามทีคนนั่งอยู่ใกล้ๆลุกขึ้นแตะเือกันไปได้ยินในหีบมีแทๆ้ๆได้ยินชัดใครได้ยินบ้างาาคนนั่นก็ได้ยินคนนี้ก็ได้ยินชัดๆอยู่ในหีบชัดๆ พอเขาโจดจันกันว่าเขาได้ยินแน่นอนแล้วได้ยินว่าเขาได้ยินแน่นอนอยู่ในหีบแน่นอนเอาอีกครั้งที่สองดึงดึงึงอย่างนี้เอาดึงดึงวันนี้ก็แตกอือกันครั้งที่สองนี่ก็แหมเหยียบถ้วยเหยียบจานกันละเนรละนาทีเดียวแล้วนะเพราะมันขี้ขาดกันกลัวไม่เคยมีอหีบคนตายไปแล้วตั้งวันกวัวแล้วมันดังขึ้นตึงดึงอย่างนี้ ไม่อยู่สักคนเราคุณไปออ ก, กันอยู่ประตูออกบ้านบนตัวสั่นงันงกอยู่น่นมีคนกล้าคนหนึ่งพูดขึ้นว่าพวกเราก็ขี้ขาดไปได้เว้ยขี้ขาดไปได้โกเดียนเขามีคนเดียวพวกเราตั้งร้อยถ้าหากมันมีอะไรลุกขึ้นมาพวกเราก็ล้มจับกันเอ่คงจะได้นะอ่าโกเดียนคนเดียวจะขนาดไหนวะไปดู หวังทีอาจจะฝืนว่ า, าคนกล้าเดินอา้าวอ้าเข้าไปพวกที่ขี้ขาดทั้งหลายก็ตามหลังไปแล้วาตามหลังเข้าไปมาเป็นยังไงพอไปถึงที่หีบแล้วคนกล้าคนนั้นก็กระชากผ้าทันทีจับผ้าขาวคุมปองเนี่ยกระชากออกมามองเข้าไปในกระโลง ห ล, ลับตาปิบปิบอยู่เ้้ยหลับตาปิบปบอยู่เนี่ยเท่านจะฟื้นหรอวะท่าจะฟื้นแล้วอ่าลองเรียกดูสิได้ยินหรือเปล่าโกเดียนโกเดียนได้ยินไหมไปยักหน้าได้ยินไปยักหน้าได้ยินแน่ไปยักหน้ารับแล้วไม่ใช่คนตายไม่ใช่ผีที่ไหนหรอกคนฟื้นเนี่ยฟื้นเนี่ยออ่าคน คนขี้ขาดทั้งหลายจะลุมไปดูแต่ว่าไปดูนี่ลอดจากรกะแลเขาไปว่าบ้างไม่ได้ดูเฉยๆลอดจากรกะแลเขาไปถ้าจะไปดูด้วยตัวเองก็กลัวอยู่นั่นแหละบางทีก็เอาคางมากายบาลัยเขามองดูอสอบเขาไปดูกลัวขนาดนั้นละยังขี้ขาดอยู่เอาช่วยกันช่วยกันยกออกมายกออกมาข้างนอกอนี่อยู่ในนี่มัน มัดตีนมัดมืออยู่ละมาหามกันออกมาข้างนอกละลานบ้านแล้วก็แจ้ช่วยกันแจ้กาสังที่ช่วยกันแจ้ฝ้ายมัดตีนมัดมือออกอมัดแก้ยากเหลือเกินพรมันตึงขึ้นมาแล้วนิ้วมือเด้งขึ้นมาฝ่ายมันก็นลัดลงไปคนกล้าก็มีพวงกุญแจอยู่ที่อเอว มีมีดพับอยู่ที่นั่นเลือกได้ดึงมีดพับออกมาเปิดปาดเลยมีดพับสื ด, ดึงออกมากับปาดขาสางออกอย่างดีปาดออกปาดออกปาดออกกันนวดตีนนวดมือให้จนหมดอแหมแ ต, แต่มันบก่องเลือดลมมันวิ่งได้ดีมันวิ่งได้ดีมือก็ยกขึ้นมาได้อะไรขึ้นมาได้ออแต่ว่าหิวนี่ยังหิวอยู่หิวน้ำ จะขอกินน้ําก็ขอไม่ได้เพราะรีนมันแข็งก็เลยทําตาเอ่อทำปากผะงาบผะงาบขึ้นมาอ่าเจี๊ยปึง้งเออเจี๊ยชุยเจี๊ยจุยํานองนี่ละเออเจี๊ยชุยหิวน้ำอ่าอยากกินน้ําหลายคนกล้าก็เอียงหูเข้าไปใไปกล้ใกอ้าว่ายัางไงปากผะงาบผะงาบเพราว่ายังไงหิวน้ํำหิวน้ําเจี๊ยชุยเจี๊ยจุยสมนองเนี่ยเออหิวน้ําแล้วเขาก็ เอาน้ำมาเทใส่แก้วแก้วนั่นก็เลี้ยมกันมาด้วยเหล้าบ้างใดลัยบ้างธรรมดาล้ือคืนเนี่ยเตรียมกันมาแต่เมื่อคืนเมื่อไหนร่างกะเทน้ำเใยนั่นแล้วก็เอามาใกล้ๆปากเอาช้อนตักแต่ปากให้อย่างนี้ตักแต่ทีแรกสองช้อนสามช้อนมันยังคืนไม่ได้เพราะลูกกระเดือกยังไม่ทํางานเอ ไม่ได้ทำงานเลยลูกก็เดือกหนะ่งพอมันน้ําซึมลงไปทั่วลูกก็เดือกดีแล้วจึงค่อยกลืนอึกลงไปเลยแหมมีแรงจังวาไปหมดทั้งตัวเลยเหมือนดังถัทงทรายแห้งๆแล้วเทน้ําลงทีละแก้วอย่างนั้นล่ะถัทงทรายมันแห้งๆเทน้ําลงทีละแก้ว มันก็ดูซึมเมาอย่างรวดเร็วเหมือนกันว่าเทใสก็ว่าไปเทไสก็ว่าไปเอาช้อนตักไม่ทันใจเอาแก้วมาให้ดื่มเมาเองค่อยดื่มค่อยดื่มเดี๋ยวมันจะเข้าหลอดลมมันจะยุ่งโอเดียนถพยักหน้ารับทราบไม่เป็นไรกินดื่มคืนเดาคืนเดาแก้วที่หนึ่งที่สองที่สามที่สีนี่จะคืนยังยากแล้วะน อ่าเพราะว่ามันเต็มแล้วกระถังทรายแห้งๆมันเต็มไปหมดแล้วตามชุ่มชื้นไปหมดแล้วเอ่าพอแก้วทีห้านี้ก็ตายหัวไม่แล้วไม่แล้วไม่อุ่นได้บอเบาๆอุ่นได้เบ า, ดดเบาหนึ่งชักระเดียวเดียวหิ้วข้าวแสบท้องมีแต่น้ำหลงไปอาหารไม่มีอเลยทําปากปองอ้ปงาปงอ้าขึ้นอีก คนกล้าก็เอียงหูเข้าไปใกล้ๆเอใกล้ก เ, เจีย้ยวปึ้งเจี้ยวปึ้งรือว่าเจี้ยวม้วยเจี้ยวมุ้ยกำนองเนี่ยอยากกินข้าวต้มอยากกินข้าวอหิวข้าวเอาหิวข้ า, าวาแล้วหิวข้าวแล้วข้าวต้มเราไม่อดเอามาแล้วเขาก็เอาข้าวต้มอยู่ในหม้อเลี้ยงแขกแต่เมื่อคืนนี่ยังไม่หมดเลยเอาน้ํำผสมผสม พอให้มันเหลวๆ ห, หน่อยก็ ม, มาตักใส่ปากให้ตักใส่ปากให้ตักใส่ปากให้จนอ่ิอ่มจนคืนไม่้องละถ้วยที่สามถ้วยที่สี่เวลาอิา่มไม่หลงแล้วเขาเลยใส่หัออีกกินน้ําเขาเอาหน้ามากินก็หลับเลยเขาเนี่ยหลับคาถ้วยกันเลยเพราะว่ามันเพลียกาลังหิวมากๆแลยกินข้าวมากๆแล้วมันเพลียนอนหลับ กรนฉนั่นวั่นวายเลยคือก้าคือก้าเออกนได้ยินถนัดเลยเ อ, อคนอ้วนอ้วนกินข้าวลงไปนอนหลับมันก็กนที่ว่าเลคือคก้าคือก้าเอาหมอตามมาหมอบอกว่าอก็ปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยให้นอนปล่อยให้นอนพัก่อนเ อ, อแกไปตั้งหลายชั่วโมงแกคงจะเพลียไม่ต้องบรบกวนนะให้นอนนะอืม มันหมดจริงๆน้ำมือวานเนี่ยชีพจรหยุดเต้นจริงๆหมอก็ได้มาตรวจแล้วล้มละลายจริงๆไม่มีชีพจรเลยหัวใจหยุดทํา ง, งานจริงๆนี่พื้นมาได้ยังไงตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยปล่อยให้พักผ่อนก่อนนะอนอนหลับพักผ่อนอยู่นั่นต้โคนตะวันบ่ายค่อยไปบ่ายสามบ่ายสี่จึงค่อ ย, อยพลิกตัวขึ้นมาเขาเนี่ย ขอยินน้ำอีกอบันีดออกเสียงบ้างกินน้ำน้ำเจีอช่วยเจียช่ว ย, ย, ยมาเอาออ น, น้ำให้กินอีกกินน้ำอิ่มแล้วข็กินเอาเข้าวต้มให้อีกข้าวต้มมันกินง่ายเจียเจียเจียมวยเจียมวยเนี่ยมันกิน ง, ง่ายข้าวต้มมันกินง่ายกินเอากินเอากินเอาแล้วก็ขอกลุมมาถามเป็นยังไง ไปตั้งหลายชั่วโมงไปเจอไปเจออะไรอ่ามาเล่าให้ฟังหน่อยเดีโออย่าถามวัวเดี๋ยวนี่นะอ่าถ้ามาถามแบบนี้วัวเล่าไม่วัวกระตายอีกพอดีอะอ่าให้วัวแข็งแรนแข็งแรงก่อนเถอะจะเล่าให้แล้วอยากลราอยากฟังนะเจ้าอยา่างเาอยา่อยางเราอยากให้ฟังนะอ่าแต่เดี๋ยวนี้ขอพักผ่อนก่อนเถอะ ให้มีแรงดีๆก่อนพี่น้องทั้งหลายอย่าได้บรบกวนเลยอมีรู้เรื่องหมดเขาก็ไม่บรบกวนละปล่อยให้พักพ่อนอยู่นั่นอีกต่อไปวันที่สองต่อมาแกะก็ลุกนั่งขึ้นมาได้พลิกตัวพลิกเดินได้ลุกเดินเหินไปได้บ้างอยู่ลึกเวียนหน้าเวียนตาอยู่บ้างวันที่สามแกก็เดินรอบบ้านแกได้ แล้วประกาศไปเลยพี่น้องทั้งหลายอยากจะฟังเรื่องราวที่วัวตายไปตั้งยี่สิบกว่าชั่วโมงเนี่ยถ้าอยากฟังก็ให้มากันให้หมดมากันหลายหลายถ้ามาสี่คนห้าคนให้วัวเล่าวัวจะไม่เล่านะสิบคนก็จะไม่เล่าเพราะว่าเล่าจบไปแล้วเที่ยวหลังมาอีกขบวนอื่นมาอีกวัวก็เล่าอีกอมาอีกเที่ยวหลังอีกเล่าอีก กัวกระจอีกพอดีละ่ะเพราะฉะนั้นอยากฟังก็จงมาให้หมดซะก่อนอำเภอจุมแสงเรามีเทไลมาประกาศไปเขาบอกกันโคเดียนจะเล่าเรื่องที่ตายไปแล้วให้พี่น้องทั้งหลายฟังถ้ากันลุมกันมารอบังแย่งกันสามีภรรยาทะเลาะ ก, กันเลยแล้วว่าจะไปเอ่อไก่จะไปเจ้าจะไปอยู่ยังไงล่ะ เอาไม่ต้ปงไปปิดบ้านไว้ไปด้วยกันมาหมดเต็มกันหลา ย, ลายแล้วอย่างนี้ลหลาย่ยางพี่นอกละลายเรื่องราวมันมีอยู่ว่าวันนั่นวัวไปดูงานตากแดดเปียงๆตลอดวันแล้วก็บวดหัวก็ทันหันกลับมาก็กินยาแอดไซน์ลินนับไม่ได้มีจานวนมากกินข้าไปก็กินเข้าไปาไประเดียวเดียว มันก็ออกฤทธิ์จะคั้นตะคอขึ้นมาสิลุมจะลือขึ้นมาค่ายๆจะเป็นลมค่ายๆจ ะ, ะปวดหนักปวดเบาธรรมราเนี่ยนะ อ, ะ เ, อเลยไปเข้าห้องน้ำพอเข้าไปห้องน้ำยังไม่ได้ปิดประตูเลยนะหน้ามืดวูบเดียวล้มลงไปคืนเดียวจิตเลยออกจากร่างมายืนดูตัวเองอยู่ ไ อ, อ, อ้ยาไอ้ยาอ้วเป็นลมใครจะช่วยเนอะใจเด็คิดวิตกอย่างนี้ส่วนล่างเขาเอาเข้าไปในบ้านแล้วเขาไปทำยังไงไม่รู้ต่คิดอยู่ในนั่นมอ ง, งอยู่ที่นั่นสักวยวเดียวมีคนสี่คนแต่งตัวสรรมะแสสมงกลางร่างกายกำยำล่ำสันมากมาถามว่า ชื่อโคเดียนเหรอก็อตอบเขาไปว่าครับผมชื่อโคเดียนอหัวหน้าก็บอกว่าจัดการเลยจัดการกันจับเลยต่อสู้ขเขาอยู่นั่นพักใหญ่ใญแต่ว่าเขาบีบแขนเราเหมือนต้องแขนจะแตกเหมือนต้องขีมเหล็กมือเขาแข็งมากอเลยไปต่อสู้ขเขาเลยยอมจํานวนเขาเดินตามเขาออกไปไปถึงประตูบ้านเห็นหมอรอด หมอรอดหิ้วกระเป๋าเดินมาอย่างรีบเร่งเพื่อจะไปดูร่างกายที่บนบ้านบ้างเรียกให้หมอรอดช่วยด้วยช่วยด้วยคนหมอเขาจะบวัวไปแล้วเขาไม่เหลียวมาดูวัวเลยเขาก็เดินเข้าบ้านเฉยไปเฉยเฉยเราก็ น, น้อยใจตัวเองคนรู้จักกันแท้ๆทําไมไม่เหลียวดูแลกันบ้าง ก็เลยตามเขาไปตามเขาไปเลีวที่สุดนะเล้วเลีวเลไปจนถึงสลาใหญ่มันไกลหลายร้อยกิโลมั่งไกลมากแต่ว่าไปเึื่เดียวไปถึงที่นั่นเขาก็ให้ผักเขาผักบาลาไหลให้นั่งลงคอยคิวอยู่ที่นั่นคอยคิวไปคอยคิวมาสัาากไปเดียวเดียวก็มองเห็นทิดสุ่มทิดสุ่มนี่เขาผูกศอก ดึงออกมาแล้วลากไปทางนั้นเราก็รู้จักว่าทิศซุ่มนี่ทิศซุ่มนี่ตายนะเมื่อวานเขามาซื้อไม้กระดานที่บ้านเราพาไปซื้อไปใส่ไปทําหีดใส่ทิศซุ่มทิศดูดีๆตัวของเราก็าเป็นลมลบลงในห้องน้ำเขาหามเอาล่างเข้าไปในบ้านเป็นจิตใจหรือวิ ญ, ญญาณของเราไม่ได้เข้าไปด้วย เข้าไปไม่ได้ในวัดพอดีคนสี่คนรู้มันเข้ามาถามชื่อแล้วเขาก็จับเรามาถ้าอย่างนั้นเรามาที่นี่เราก็ตายดิเสียใจใหญ่ตอนนั้นเสียใจว่าเจ้าของตายแน่แล้วตายแน่แล้วก็ร้องให้กันใหญ่เลยคนตั้งแสนก็เดี๋ยวมาบางังมามาดูว่าคนเดียวก็อายเขา ตายกาตาย็ตายาตายก็ตายแต่รู้สึกหิวมากนะอ่อทำไงเนต า, าตายก็ตายเลยนายรวดผ่านมาก็เลยถามเขาว่านายนายไปกินน้ำในที่ไหนนายกินข้าวในที่ไหนนายหิวข้าวแล้วหิวน้าแล้วเขาก็บอกว่าเออไปก็ได้แต่ต้องกลับมาเร็วๆนะเขาก็บอกว่าในพิพบนี้ถ้าใครทำไว้ถึงค่อยได้กิน ไปไม่ได้ทำไว้ก็จะไม่ได้กินอาหาดูเอาเองนะเขาบอกอย่างนี้เราไปไปสักประเดี๋ยวเดียวไปเจอลุงเยี่ยมลุงเอี่ยมนั่งอยู่เข้าอี่อย่างภูมิฐานมีโต้มีอาหารเต็มโต้ก็เลยไปขอกินกับลุงเยี่ยมลุงเยี่ยมก็เมตตาให้น้ำกินแตก่กินไม่ได้มันร้อนเหมือนไฟ สองทีสามทีก็ชิ้นไม่ได้อยู่นั่นแกถุงเหยี่ยมก็เมตธาตักข้าวใส่จานให้อทําเจ้าข้าวใส่จานให้ลาดหน้าให้ยามดีอ่แกยื่นมาให้ก็จับออกมาถึงมือตัวเองก็กลายเป็นขี้เท่าอยู่ในจานนั่นเต็มบริบูรณ์ไปบกพร่องเลยปีที่ขี้เท่าทางนั่นกับกระดาษเงินกระดาษทองอสองทีสามที พอยื่นให้โคดิลุงเหยี่มไปก็กลายเป็นข้าวลาดหน้าดีๆแกก็กุ้ยให้เราดูกินให้เราดูอสองทีสามทีก็เป็นอยู่อย่างนี้แกสงสารว่าเดินไปทางนี้กลัวบางทีจะพบของตัวเองเดินไปไม่นานเท่าไหร่นักก็ไปเจอของตัวเองโต๊ะใบเนี้โต๊ะใบที่ไหว้เจ้าเนี่ยอยู่โน้นแล้วติดไป้ายไว้ด้วย กระถางทูกก็ใช่เชิงเทียนก็ใช่แต่ไม่มีอะไรกินได้อยู่ในโต๊ะมีแต่ที่เท่ากับกระดาษเงินกระดาษทองเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องหล้งหลายอ่าวัวไปเหียงมาลุ้ยตาแล้วนะอ่าวัวไปเหียงมาลุ้ยตาตัวเองแล้วใครจะมาโกหกไม่ได้เพราะฉะนั้นขอสาบังว่าติงอังว่าเลกเหล็กขาดใครจะมาบังคับ ไม่ได้บังคับให้ไ ห, หวเจ้าวอลกรดาษไหวได้พอวัวไปเหวียงมาลุยตาแล้วพอฉะนั้นวัวจะเลิกเลิกแล้วจะบวชในภรษานี้ให้ได้นั้นแต่คำภาษาตุสาษสสาตสสัาโกเดียนบวชจะไม่ให้อดอย่างอะไรน้ำร้อดน้าชากาฟแฟจะไม่ให้อดเลยน้าตุ่งน้าทานจะไม่ให้อดเลย ข้าลาอาหารจะกินกี่เวลาก็จะให้กินเช้าก็ได้กินเทนก็ได้อจ ะ, ะเลี้ยงไอ้อิ่น้ำํำสาราญถ้าโคเดียนบวชจริงๆแต่แต่กนะ่อนน่าไม่เคยว่าจะบวชอย่างนี้แต่ทาบุญทีไรก็ต้องผิดกันซะก่อนทะเลาะกันซะก่อนทุกขล้างมาแต่คราวนี้คงจะสบายแล้วสาธุโมรนาเขาโคเดียนจริงๆล่ะ เอาจริงๆนะแม่ครับว่าจะบวชจริงๆนะเอพราะฉะนั้นพี่น้องทหลายจงเป็นพายังนะจงเป็นสักขีพายังให้นะว่าจะบวชจริงๆ เ, เราสาบานกับลุงเอี่ยมแล้วว่ากลับมาได้แล้วจะมาบวชเอพราะฉะนั้นเปงนองว่าเลิกเลกขากแล้วไหวเจ้าบอกกับดักพอจะเข้าพรรษาแกก็มาเข้านาคเอมาเข้านาคแล้วในพรรษานี่จะบวช แม่คนกินร้องหนักมันร้องยากร้องเย็นจริงจริงเอซ่าห้างพันเตก็ไม่ได้ได้เอซ่าห้างพังเต้ยังไงล่ะ่านพันก็พังแต่ยี่นพันเตก็ไม่ได้อีกคนยากที่สุดที่สังคำพันเตอุบสติซดังยาจามีอุลลุมประตุมังพันเตสตั้งคอเนี่ยไม่ได้เลย อุลลุมประตมังพันแต่สร้างคออองลองประตูมังพาออองแต่สร้างคออย่างไรล่ะอุณลุมอุลลุมอองลองประตูมังผางแต่สร้างาขอยังไล่ะสงคก็ไม่โขให้พออยานั้นครูบาอาจารย์เมตตาสงสารหลายก็เลยอนุโลมบอกไปทีละคำละคำไปกันเลยได้วด ในพระพุทธศาสนาเป็นวิกโตแกก็ปฏิบัติเข่งคัดจริงๆถือตุรงข้อวัดเข่งคัดกินมือเดียวด้วยไม่ได้กินสองเวลาเหมือนเขาเขาจริงเขาจังเพราะเราไม่มีโอกาสในบวชแกก็ทำจริงๆพอออกคนรษาและยุบไปหมดร่างกายภุงใหญ่ๆก็ยุบไปหมดผ้าข้างเกงตัวเข่าใส่ไม่ได้แล้วมันหลวมแล้ว แกกลัวจะเป็นโรคสะพอลําไส้มันแสบท้องตอนเย็นมาแกก็เลยขอลาศึกพอศึกออกมาแกก็ออกประกาศปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะะาค่ะเป็นอุวาตกแม่คําก็ประกาศปฏิญาณตนเป็นอุบาธิก า, าแม่คําำวัติกาคําปฏิบัติของละนงสืบมา ในสมัยสงครา ม, มโลกครั้งที่สองนี่เองในสมัยนั้นอาโกเดียนอายุ42สงครามโลกมานี่กว่า50กว่าปีพอบวกกันแล้วก็คงเจ็บเก้าติดกว่าปีแล้วโภเดียนถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็คงจะอายุในราว90กว่าปีน ะ, ะถ้าอยากรู้เรื่องราวนี้ดี ไปจงไปสืบดูที่วัดคลองละนงนพอพชุมแสงจังหวัดนครตะวันเถิดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่นั่นในสมัยนั้นเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณุปมาจาร์แม่ตาไปสร้างวัดนี้ให้ตั้งชื่อให้เป็นวัดคลองละนงทางอุบาสกอุบาจิกาผู้นับถือพระพุทธศาสนาถึงพระไตรกานาคมเป็นผู้อุปรสามประถาวัต อ, อย่าง ลุงเอี่ยมเป็นต้นอเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นั่นเพราะอย่นั้นใครงมงายกันแน่ที่เขาว่าลุงเอี่ยมงมงายอแต่ว่าโกเดียนที่ว่าเขางมงายต้องไปขอกินข้าวครับลุงเอี่ยมกินน้ํากับลุงเอี่ยม ก, นนกยมินก็กินไม่ได้เสียด้วยพราะตัวเองไม่มีอานิสงส์ในการทําบุญให้ท่าน ไ, ได้ เออเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธไม่งมงายหรอกทำบุญฉุนทานทีไรก็หาสิ่งที่บริสุทธิ์พุดพองมาทำบุญกันเถอะอย่าไปฆ่าสัตว์ชัตชีวิตมาทาบุญกันเลยเอ่อทำบุญให้หลวงปู่คำพองก็เหมือนกันอย่าให้สัตว์อื่นมาต้องตายในงานนี้เพราะพวกเรามันมีตลาดอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไปจ่ายตลาด ของสําเร็จรูปมาผักนานางห้ามีไปจงเอาสิ่งนั้นถ้าไปเชือดเป็ดเชือดไกมาทําบุญให้หลวงปู่เชือดหมูเชือดวัวเชือดควายมาทําบุญให้หลวงปู่หลวงปู่จะไม่ได้รับเลยนะหลวงปู่จะไม่ได้รับเลยไม่มรนนาซะด้วยเออออหลวงปู่ได้ยินเสียงเทศนี้แล้วคงจะชื่นใจนะ เอว่าอีกต้งหน่อยเถอะว่าอีกต้องหน่อยเถอะไปค่าเป็ดฆ่าไก่มาทำบุญนะท่านไม่ยินดีหรอกหลวงปู่ไม่ยินดีเพราะไม่ได้ผลอะไรเลยแถมจะยังใช่นี้เขา อ, อีก เ, อเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายจงหาความบริสุทธิ์ใส่ตัวเองเถิดมีความบริสุทธิ์แท้ในการทำทานเป็นทานนางเมบริสุทธิ์ทางแท้ อาสวักคยาปังก็จะเป็นพลัญจัยใจทำให้ถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเป็นสมุติเขตปังานจะได้ถึงพระนิพพานแน่นอนแตาเรายังยินดีในการฆ่าสัตว์จิีวิอยู่เราจะตามใช้คำอันนี้ตั้งนานเท่านานอีกนะเวียน่ายตายเกิดใช้คมต่อไปอยู่ดังที่แสดงมาเพื่อเป็นคติ แกท่านผู้ฟังทั้งหลายจงนำไปไข้ควรปินิดพิจารณาด้วยปัญญาฌานฉลาดของตนของตนเอง เ, อเออถิดอัปมาทธรรมไม่มีความประมาทจะอย่างใดตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงจริงจงังจังต่อแต่นั่นก็จะได้ประสบพบเห็นได้ความสุขความเจริญ ทางทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการรับประทานว อ, อยมาก็สมควรแกเวลาจึงขอสมมติยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการลักษณะ